ด่าแม่เพื่อนเป็นบาปไหมถามการที่สนิทกับเพื่อนขนาดด่าแม่ยังหัวเราะเล่นกันได้นั้นเป็นบาปเหมือนอย่างศัตรูด่าแม่กันหรือเปล่าครับตอบผู้หญิงมียางอายฉะนั้นเมื่อนำคำด่าทางเพศมาใช้กับมาดา ข, ของฝ่ายที่อยากดา่าจึงหมายถึงการปรกปรามว่าแม่ของฝ่ายนั้นหมดยางอาย หากคนถูกดาา่าเคารพเทอทูนมันดาของตนอย่างสูงสุดพอได้ยินคําเผ็ดแสบนั้นทนได้ยากนั้นเข้าก็ย่อมเป็นการโหมไฟโทสะให้ลุกโพล่ขึ้นอย่างแรงขนาดหน้าเมื่อชั่ววูบยิงแทงคนด่าแบบลืมอนาคตได้เดี๋ยวนั้นทีนี้ถ้ากลับกันหากทนได้มากหรือเห็นเป็นเรื่องล้อเล่นไม่ถือสา ก็แสดงถึงสัมพันธภาพที่สนิทสนมอย่างเหลือเกินเหล่าชายหญิงจึงมักนิยมแสดงความสนิทเป็นที่สุดด้วยการด่าพ่อล้อแม่กันอย่างสนุกคำด่า น, นั้นถ้าไม่เจืออยู่ด้วยความคิดประทุษร้ายก็แปลว่าไม่ใช่กรรมที่ยืนอยู่บนโทสะเต็มเม็ดเต็มหน่วยฉะนั้นเทียบน้ำหนักบาปแล้วระหว่างด่าเพื่อนเล่น กับด่าศัตรูจริงๆ จ, ง จ, งจึงต่างกันมากเรียกว่าเป็นคนละเรื่องกันเลยทีเดียวอย่างไรก็ตามแม้คดาด่าจะอาศัยสายสัมพันธ์ที่สนิทแน่นแฟนเป็นพาหะอย่างไรจิตก็คิดถึงคาไม่ดีคําที่ปรุงแต่งให้จิตเป็นอกุศลผลไม่ดีย่อมเกิดขึ้นในทางใดทางหนึ่งและที่เห็นชัดเจนคือคุณแสดงให้ตัวเองและเพื่อนเห็น ว่าคุณให้ความสำคัญกับความสนิทเกินกว่าความเคารพแม่ตัวเองสรุปคือการด่าแม่เพื่อนก็ดีหรือการปล่อยให้เพื่อนซีด่าเลยเถิดโดยไม่ห้ามปรามก็ดีถือว่าเป็นการแสดงความไม่เคารพแม่ตัวเองอย่างหนึง่งผู้ไม่เคารพยอมไม่ได้รับการเคารพโดยเฉพาะผู้ไม่เคารพ บ, บุคคลอันควรเคารพอย่างยิ่ง ยอมรับผลถึงขนาดโดนดูถูกเจียดยามหรือถึงขั้นประนามอย่างแรงโดยไม่ต้องมีความผิดที่สมน้ำสมเนื้อครับ